3. อมูลหะวินัยว่าด้วยระงับอธิกรณ์โดยยกประโยชน์ให้ว่าต้องอาบัตในขณะเป็นบ้าเรื่องภิกษุชื่อคักคะสมัยนั้นภิกษุชื่อคักคะวิกลจริตมีจิตแปรปรวน ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทาด้วยกายภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุชื่อคักคะด้วยอาบัตที่ภิกษุชื่อคักคะนั้นเป็นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดเป็นอาจินว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้ ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแ ป, ปรปลวนเสียแล้วได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่สมควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทําด้วยกายผมระลึกอาบัตินั้นไม่ได้ผมหลงได้ทําสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลาย แม้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจดภิกษุชื่อคักคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้วจงระลึกอาบัตเห็นป่านี้บรรดาภิกษุผู้มักน้อยสันโดษละพากันตนําหนิประนามโพนทนาว่าชไหนภิกษุทั้งหลายจึงได้โจดภิกษุชื่อคักคะ ด้วยอาบัตที่ภิกษุชื่อคักคะนั้นผู้วิกลจริตมีจิตแปรปรวนประพฤติละเมิดเป็นอาจินว่าท่านต้องอาบัติแล้วจงระลึกอาบัติเห็นป่านี้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายผมวิกลจริตมีจิตแปรปรวนเสร็จแล้วผมนั้นวิกลจริตมีจิตแปรปรวน ได้ประพฤติละเมิดสิ่งที่ไม่ควรแก่สมณะเป็นอาจินมากมายทั้งที่กล่าวด้วยวาจาและพยายามทำด้วยกายผมระลึกอาบัต้นั้นไม่ได้ผมหลงได้ทำสิ่งนี้แล้วภิกษุทั้งหลายแม้ภิกษุชื่อคักคะนั้นกล่าวอยู่อย่างนั้นก็ยังโจทย์ภิกษุชื่อคักคะนั้นอยู่นั่นเองว่าท่านต้องอาบัตแล้ว จงระลึกอาบัตเห็นป่านี้แล้วนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พ, พระผู้มีพระภาคทรงสอบถามภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายทราบว่าภิกษุทั้งหลายโจทย์ภิกษุชื่อคักคะละจริงหรือภิกษุทั้งหลายทูลรับว่าจริงพระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคทรงตำหนิและครั้นทรงตำหนิแล้วละทรงแสดงธรรมมีกถาแล้วรับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นสงจงให้อมุลหะวิไนแก่ภิกษุชื่อคักคะผู้หายวิกลจริตแล้ว